พุทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่ครกค่ะรายการสันนิษฐานนะคะสัปดาห์นี้กลับมาสู่บรรยากาศปกติหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วก็รบกวนท่านเพรบุญได้แสดงธรรมเพียงลําพังทุกวันเลยดิ่ฉัน ส, สนันนิษฐานพงค่ะต้องราย ง, งานตัวหน่อยเพราะว่าเสียงอาจจะเพี้ยนเพียนไปเล็กน้อยแต่ว่ายัางดําเนินรายการได้ตามปกตินะคะและในวันนี้ท่านผู้ฟังที่ชื่อว่าคุณแพทหรือคุณพัดเนี่ยนะคะเตรียมฟังการตอบคําถาม ก่อนหน้าที่จะไปสนทนาธรรมในทุกๆครั้งกับพระมหาภพรบุญอภิปุณโณซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักที่สอนคอร์สลีกเรนอยู่ที่วัดป่าดอนหายสุขอุดรธานีท่านก็จะเมตตาที่จะให้พวกเราได้ฝึกปฏิบัติในขณะที่ยังไม่มีโอกาส ไปฝึกปฏิบัติโดยตรงเป็นเต็มคอสที่วัดกันตั้งแต่ตอนต้นรายการก่อนที่จะฟังธรรมเลยดังนั้นท่านใดที่สนใจนะคะก็เตรียมพร้อมดิฉันกําลังจะพาท่านไปกราบนมัสการท่านเพบูณ์เดี๋ยวนี้ค่ะนมัสการกันท่านคะเจริญพานวันนี้ต้องขออภัยนะคะดิฉันก็อาจจะเสียงอูอี้หน่อยอืมถือ <c oughs> ว่า <c oughs> หลังจากที่เราจะ เ, เริ่มรายการ <c oughs> ก็มาฝึกปฏิบัติกันสักนิดหนึ่งสั้นๆนะโดยการที่ให้เรามากําหนด ก็ว่ากําหนดนี้ก็คือการที่เรามาระลึกถึงตั้งจิตไว้อยู่สักที่ใดที่หนึ่งที่เราสามารถที่จะระลึกรับรู้ถึงสัมบัติของลหมหายใจได้ลักษณะก า, ารกระทําเช่นเนี้ยการตั้งจิตไว้สักที่ใดที่หนึ่งการกระทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการตั้งสติขึ้นคําว่าสติเนี่ยหมายถึงการระลึกได้เราอาจจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงค์ระลึกถึงลหมหายใจของเรา การที่เราเอาจิตมาตั้งไว้ที่นี่นนี่เป็นลักษณะการที่จิตเรามีที่เกาะจิตเรามีที่พึ่งไม่ให้ไหลไปตามเสียงไม่ให้ไหลไปตามความคิดไม่ให้ไหลไปตามสัมผัสทางกายที่เกิดขึ้นเพราะบางทีสัมผัสทางกายเสียงความคิดภาพต่างๆเหล่านี้มันพาไปที่ไม่ดีได้มันจะทำให้เรามีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ย บางที่มันก็ถูกรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัพฑ์ที่น่าพอใจไม่น่าพอใจมากระบ้างแต่ไม่จิตของเราขึ้นขึ้นลงไปตามความพอใจความไม่พอใจนั้นเพราะฉะนั้นจิตจึงจะต้องมีที่เกาะเอาไว้ที่พึ่งเอาไว้ที่ตั้งเอาไว้ในที่นี้เราใชจลมหายใจของเราเป็นที่เกาะที่พึ่งที่ตั้งในการที่เรามาเกาะไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนพึ่งสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนในที่นี้เราใชจลมหายใจของเรานะในการที่เราจะ อาจิตขเรามาตั้งไว้ที่นี่ในเป็นลักษณะของการที่เราไปถือไปจับยึดไว้นั่นแหละไว้สักที่ใดที่หนึ่งการที่เราจับตรงนี้ก็เพื่อที่พร้อมที่จะปล่อยพร้อมที่จะให้จิตมีกําลังแล้วเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็ปล่อยได้เช่นการปล่อยตรงนี้ก็หมายถึงการที่เราเห็นความไม่เที่ยงแตเวลาที่เรามากําหนดสติอยู่กับลมหายใจหรือการระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามจิตเป็นอารมณ์เดียวแล้ว ไม่ขึ้นขึ้นลงลงพอใจไม่พอใจไปตามสิ่งที่มากระทบพร้อมที่จะปล่อยในการที่จะเห็นตามที่เป็นจริงการที่จะปล่อยแม้แต่สติแม้แต่ลมหายใจแม้แต่เครื่องมือเครื่องไม้พระพุทธเจ้าปรียบเหมือนกับเวลาที่เราจะข้ามฝั่งแม่น้ําจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นเราจะต้องเกาะแพรนี้ไปพอไปถึงฝั่งนู้นล้วก็ต้องปล่อยแพรเหมือนกันเช่นเดียวกันเวลาที่เราตั้งสติขึ้นไว้แล้วความสงบนี้ดี มีแลํามันดีแน่นอนพอมันมีแล้วเราจะต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงด้วยการที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละคือจะทำให้จิตนั้นมีความรู้ตามที่เป็นจริงเห็นตามที่เป็นจริงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจผัสสะที่เกิดขึ้นว่าเป็นของที่มีเหตุปัจจัยปรุงแตง่งเป็นของหยาบหยาบเป็นของที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความจางคลายมีความดับไปเป็นธรรมดาเราพิจารณาเห็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆแล้วจะมีความหน่ายมีความหน่ายแล้วจะมีความคลายกำหนัดมีความคลายกำหนัดแล้วเราจะวางได้ไอ้ความที่เราวางได้แล้วมันจะมีจิตใจที่เย็นมีจิตใจที่เบาอันนี้คือจุดประสงค์ของการปฏิบัติสมาธิการที่เราตั้งจิตไว้กับลมหายใจเพื่อที่จะให้เกิดการปล่อยวางและมีความเย็นมีความเบาเกิดขึ้นในใจ การพิจารณาหรือว่าการตั้งสติไว้นี้เราสามารถทำได้ในตลอดทั้งวันในระหว่างที่ฟังธรรมนี้ก็สามารถทำได้ไปด้วยเช่นกันสาธุค่ะประโยชน์ของการที่สามารถจะกำหนดสมาธิได้จนกระทั่งพิจารณาถูกตามที่ท่านได้นำคำสอนระษาสดามาสอนว่าเห็นความไม่เที่ยง จิตรู้ตามที่เป็นจริงจนสุดท้ายเกิดความเย็นความเบาแล้วท่านก็บอกว่าใครก็ได้ปฏิบัติได้ทั้งนั้นทุกเวลาปฏิบัติแล้วได้อะไรคะท่านคะคือได้ความเย็นความเบาไงนะความเย็นความเบาเนี่ยมันดีกว่าของหนักในะความเบาตรงนี้คือความที่เราวางของหนักได้มันจึงเบานะคือเราจะไม่เป็นทุกข์ไปตามสุขเวทนาเวทนาที่เป็นสุขที่มันผ่านมา ไม่เป็นทุกข์ไปตามทุกขเวทนาที่มันผ่านมาความทุกข์เนี่ยมันมาในรูปของสุขเวทนาก็มีความทุกข์มาในรูปของทุกขเวทนาก็มีค่ ะ, ะที่ฉันถามเนี่ยก็คือบางทีบางท่านอาจจะแปลไม่ถูกนะคะว่าเย็นเบาคืออะไรหรือแล้วท่านก็เลยบอกว่าเย็นเบาก็คือไม่หนกักไม่หนักเนี่ยหมายถึงไปในทางที่มีอารมณ์คล้อยตามไปกับสิ่งที่เป็นความทุกข์ถูกไหมคะถ้ากล่าวโดยรวมใช่ใชจะทุกขในลักษณะใดก็แล้วแต่ ฝึกๆ ก, กันเลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่าดิฉันเองในห้วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันเนี่ยได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยซึ่งป่วยมากและสุดท้ายขณะนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะเราพยายามเต็มที่ที่จะให้ผู้ป่วยนั้นได้วางจิตให้ถูกและก็พวกเราก็เชื่อว่าทำสำเร็จนะคะแต่ก็ได้ทุ่มเทสปรปปะคำลางกับหลายๆคนที่จะช่วยให้เกิดสิ่งเหล่านี้กับ ป่วยที่เสียชิตไปแล้วท่านนั้นเพราะว่าก็เชื่อตามที่พระศาสดาบอกนะคะว่าจะมีสุคติเป็นที่ไปปลอดภัยมากกว่าอือันนี้คือลักษณะของการที่มีมิตรดีนะค่ะอย่างเวลาที่บางทีเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างเงี้ยป่วยบ้างหรือว่ามีภัยอันตรายอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีคนที่จะมาช่วยให้เราระลึกถึงหรือว่าตั้งจิตเอาไว้ในที่ที่ดีได้มาบอกสิ่งดีๆเนี่ยลักษณะนี้คือมีกัลยาณมิตรคือมีเพื่อนดี หน้าที่ของเพื่อนอย่างหนึ่งก็คือว่ารักษาในเวลาที่เขามีภัยในเวลาที่เขาประมาทแต่ก่อรักษาเขาให้ข้อมูลที่ดีๆอันนี้เป็นสิ่งที่ควรทาอยู่ละใช่ไหมพ่อคะและก็เลยอยากจะบอกท่านทั้งหลายแหละ ว, ว่าการฝึกในลักษณะนี้เนี่ยบางทีเพื่อนอาจจะไม่สะดวกมาอยู่กับเราหรือมันเกิด ป, ปุบปับใช่ไหมคะนีแ่แหละคือประเด็นนี่แหละอื <c oughs> จะได้นํามาใช้กันได้อย่างทันทีทันใดทีนี้เดี๋ยวคุณพัดหรือคุณแพทเนี่ยนะคะจะรอนานอ่าดี่ฉันก็เลยอยากจะรบกวนทาง คำถามของเขาที่ระบุมาว่าให้ตอบในรายการข่าว FM106 นะคะอบอกว่ากราบธรรมศ ก, การหลวงพ่อที่เคารพยิ่งกระผมมีคำถามที่จะรบกวนหลวงพ่อดังต่อไปนี้นะครับข้อที่1ผมมีพระเครื่องอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งได้รับมาจากบุพการีที่เสียชีวิตไปแล้วจะนำไปให้ผู้อื่นเช่าเพื่อที่จะนำปัจจัยนั้นมาทำกุศลอธิบํารุงศาสนาสงเคราะห์โลกจะเป็นการเหมาะสมหรือไม่ครับ โอเค อ, อ, กก อ, อันนี่คือเขออถามว่าเหมาะสมหรือไม่เดี๋ยวเอาจุดที่ไม่เหมาะสมก่อนแตนะความที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคืออย่างเช่นว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเราไปเอามาขายอย่างนี้นะ อ, อันนี้ก็ไม่เหมาะสมอันนี้ก็ผิดสีแน่ละทีนี้ว่าของเนี่ยมันคือเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วคทีนี้ของที่เจ้าของเสียชีวิตไปแล้วแล้วบางทีมรดกเนี่ยจะตกเป็นของเราหรือไม่อันนี้ก็ต้องดูประเด็นนี้ก่อนคือถ้ามรดกชิ้นนี้ไม่ได้เป็นของเรา เราเอาไปขายเนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วเพราะมันไม่ใช่ของเราถูกไหมเพราะว่า ม, มันมีบางกรณีนะคุณโยมติ๋วที่ลูกเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับมรดกของพ่อแม่นั่นะคือเรื่องราวในสมัยพุทธกาลก็มีกนะ็คือมีมหาเศรษฐนะีทีนี้ว่าลูกเนี่ยเปรย์เปรือ้อตัวไม่เหมาะสมพ่อเนี่ยมีตําแหน่งเป็นมหาเศรษฐีพอลูกปรย์เปรื้อตัวไม่เหมาะสมไม่อยู่ในศีลธรรมพระราชาก็ไม่ให้ทรัพย์เหมือนกันก็มีก็ยึดเข้ากลังหลวง นะเพราะว่าลูกมีคุณสมบัติไม่เพียงพออย่างเงี้ยแต่ถ้ามาตรวจดูแล้วเออลูกดีเอาก็มอบให้ได้แต่ถ้าบอว่าเป็นคนทั่วๆไปไม่ได้มีทรัพสมบัติอะไรมากไม่ได้มีตําแหน่งทางราชการอะไรอย่างเงี้ยบางที ก, ก็ก็รับไปโดยอัตโนมัติแต่เดีนี้มันก็มีกฎหมายนะว่าถ้าไม่มีพิเนียการไม่มีอะไรก็ลูกก็รับไปแต่ทีนี้ถ้าเราอยู่ในสถ า, านการณ์ที่เราว่าเรารับมาเต็มเต็มนะเป็นเป็นของเราละค่ะหลังเมื่อนะการที่เราจะเอาไปขายหรือว่าเอาไป ในที่นี้เขาบอกว่าเอาไปเช่าแต่ซึ่งอันนี้เป็นคำคือสมัยก่อนอาลมาก็ไม่เข้าใจนะตอนเป็นเด็กๆนะ<ข>พ่ออ<ข>ันนี้ก็มีพระเครื่องเยอะเหมือนกันก็บอกไปตลาดพร ะ, ะไปเช่าพระเอ๊ะเช่าแล้วมันเป็นของเรานานเท่าไหร่ไงนะก็มีความคิอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เป็นศัพท์เป็นภาษาที่หมายถึงซื้อขายนั่นเองค<ข>่ะคือเอาไปขายเอาเงินมาว่าง<ข>่ายๆค่ะแต่คำถามในที่นี้ก็คือว่าเราจะเอาไปขายแล้วมันจะเหมาะสมหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปพูดถึงประเด็นที่ว่าขายหรือว่าเหมาะสมหรือเปล่าก่อนเนี่ย เราต้องดูเรื่องของมรดกที่มารดาบิดามอบให้ก่อนนะเพราะว่าหน้าที่ของมานาบิดาอันหนึ่งเนี่ยก็คือมอบมรดกให้ตามเวลานะหน้าที่ของลูกอันหนึ่งในเรื่องของที่ทั้งหกคือการที่รู้จักรักษามรดกนะรู้จักรักษาวงศ์สกุลนะรับมรดกนั้นมาแต่มันะมีหลายๆคนนะคุณโยมติวที่พ่อแม่ติ้งมรดกเป็นพื้นป่าไว้ให้อย่างเงี้ยแล้วลูกก็ไปตัดปาตัดไม้มาขายหมดเลยรนะหรือว่าที่ดิน ทีดีดบ้านดีๆเนี่ยก็ไปขายทิ้งเอาเงินมาอย่างเงี้ย <Okay. S 1> แต่ซึ่งซึ่งบางทีเขาไม่ได้เห็นคุณค่าลูกเนี่ยนะ <Okay. S 1> ไม่ได้เห็นคุณค่ายาเงือแรงงานความอดทนของพ่อแม่ที่อุตส่าห์สะสมอะไรามาเห็นราคาดีกว่าขายทิ้งไปอย่างเงี้ยแต่ น, นี้คือเกิดมาต้องพูดก่อนว่าเพื่อให้ลูกเนี่ยรับมรดกมาเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เหนือมากกว่า face value. <Okay. S 1> เฟสบัลลูเหนือมากกว่าสิ่งที่แบบจับต้องได้เราเห็นอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> คือบางทีบรรดาบิดาบางคนก็ไม่ได้ทิ้งของมีค่าอะไรไว้ให้เป็นมรดกหรอก แต่จะเป็นประการท่ามหนึ่งหรือจะเป็นแหวนที่เป็นแหวนทองเล็กๆวงหนึ่งแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่อยู่ภายใต้สิ่งของเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นอันนี้เราต้องทราบต้องทราบถึงจะเป็นผู้ที่รับมรดกได้มาอย่างดีคือบางทีเรารับสิ่งของเป็นพระรเครื่องพวกนี้มาเนี่ยคุณต้องทราบเรื่องราวว่าเออท่านได้มายังไงท่านเก็บพร้อมรอมับหรือเปล่าท่านมีความอดทนหรือว่าบูชาในลักษณะไหนแต่เรารู้เรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้แล้ว การที่จะเอาไปขายหรือว่าจะทำอะไรนี่ก็เป็นความเหมาะสมที่สามารถทําได้นะออันนี้คือในประเด็นที่หนึ่งส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งของที่เป็นพระเครื่องอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งของที่เราต้องมีความเห็นให้ถูกต้องนะว่าเป็นเครื่องที่จะทําให้เราระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านะคุณของพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็ใช้พุทธานุสติเนี่ย เป็นเครื่องในการที่ตั้งจิตของเราให้อยู่ในความดีแล้วก็ทําความดีให้เป็นไปตามกระบวนการเรื่องของกฎแห่งกรรมนะนนี้ถึงจะถูกต้องคือคือไม่ได้เห็นว่าพระเครื่องนี้เป็นสิ่งที่จะบรร d o บรรดาลอะไรให้เราได้นะสุขทุกขเป็นสิ่งที่ผู้อื่นบรรดาให้อันนี้จะไม่ถูกแต่สุขทุก น, นี้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยอันนี้เป็นความเป็นที่ถูกต้องนั่นเป็นเพียง คำถามแรกนะคะยังมีคำถามถัดมาเป็นคำถามที่สองค่ะหากหญิงและชายมีงานทำแล้วอายุก็กลางคนแล้วจะมาอยู่ด้วยกันเองโดยที่พ่อหรือญาติจะทราบหรือไม่ทราบนั้นผิดศีลข้อสามหมครับนี่เป็นเรื่องศีลเลยค่ะศีลข้อสามก็คือการที่ประพฤติผิดในการมตัวบทพยานชนะว่างี้ทีนี้ถ้าเปลว่าขยายความขึ้นมาก็คือการประพฤติจารีตในรูปแบบต่าง ขยายความขึ้นมาอีกจารีตนี้มันอะไรก็คือประพฤติปิดในหญิงที่มารดาบิดารักษาหญิงที่พี่น้องชายพี่น้องหญิงรักษาหรือว่าหญิงที่เขามั่นเอาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นการใจสินไหมหรือว่าด้วยการคล้องปวงมาลัยก็ตามอันนี้คือการประพฤติปิดจารีตประพฤติปิดในกามนี่คือสิ่งข้อ3นะทีนี้ว่าบางคนเนี่ยอาจจะตีความในลักษณะนี้ว่าหญิงในผู้หญิงที่มีคนรักษาเนี่ย ก็คือยังอยู่กับพ่อแม่ยังเลี้ยงตัวเองไม่ได้ยังต้องมีพ่อแม่ดูแลอยู่แต่ตีว่าโตแล้วนี่เงินเดินก็มีเองแล้วมาอยู่บ้านเองแล้วไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้วเน่ก็เลยอาจจะตีความว่าอันเนี้ยไม่ได้มีคนรักษาละแต่ถ้าเขาจะตีความอย่างนี้ก็กได้ไม่มีปัญหาเน่ก็ไม่มีปัญหาทีนี้ไอการอยู่ด้วยกันเนี่ยการอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณหนึ่งเขารับรู้อย่างเช่นถ้ามารดาบิดารับรู้แล้วท่านไม่ว่าอะไรนะ ถ้าไม่ว่าอะไรก็คืออนุญาตด้วยการที่นิ่งนะอนุญาตด้วยการที่ไม่ไม่พูดอะไระด้วยการนิ่งก็คือพูดว่าอนุญาตนั่นแหละแต่ว่าไม่พูดอย่างนั้นแต่ว่าไม่ไม่ว่าอะไรแตนะทีนี้ถ้าผมว่าไม่ทราบในะกรณีที่ไม่ทราบนี่ก็ต้องดูก่อนว่าท่านอนุญาตไหมอนุญาตด้วยการนิ่งหรือเปล่ายินยอมหรือเปล่าแตนะ่เพราะว่าลักษณะของสีนข้อ3เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราไปแย่งของที่มีเจ้าของเกามา แต่ถ้าข้อหนึ่งคือการฆ่าสัตว์ใช่ไหมก็คือไปแย่งเอาชีวิตเข้ามาข้อ2คือการลักขโมยก็ออคือไปเอาของเข้ามาและข้อที่สามนี่ก็คือเอาสิ่งที่เขารักมาซึ่งถ้าบอกว่าลูกอ่ะแล้วพ่อแม่เขารักอยู่่พี่น้องชายพี่น้องหญิงเขารักอยู่อ่ะแล้วเราไปทําไม่ดีเนี่ยคือเหมือนกับว่าเราไปเอาของเขามาเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ประเด็นนี้ด้วยว่าท่านถ้าไม่ทราบเนี่ยบางทีก็อาจจะมีความเป็นเจ้าครอบเจ้าของกันอยู่อันนี้นี่คือประเด็นที่สองนะค่ะ แประเด็นที่3ก็คือว่าตัวของผู้ที่อยู่ด้วยกันด้วยคือถ้าปกปิดเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีคือจิตเนี่ยมันจะน้อมไปในลักษณะที่ว่ามันจะไปมีกิ๊กได้ฉันไม่มีความรับผิดชอบอะไรนี่ฉันพอใจฉันก็อยู่ด้วยกันฉันไม่พอใจฉันก็เลิกกันไปไม่ได้มีความรับผิดชอบกันอาจจะมีคนที่2มีคนที่3แต่ถ้าเปิดเผยแล้วเช่นจดทะเบียนสมรสแล้วคุณหนึ่งเขาก็รู้แล้วว่าเออคุณอยู่ด้วยกันนะทีนี้มันก็จะเริ่มมีความละอายแล้วว่าถ้าแปดว่าเราจะไปมีคนที่2คนที่3เหรือไม่ มันมันจะมีความละอายอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นการที่เปิดเผยเนี่ยมันดีกว่าไม่เปิดเผยแต่คือลัอกษณะของการปิดปกปิดไว้เนี่ยจะทําให้ความสัมพันธ์ในเรื่องของชายหญิงเนี่ยมันยิ่งจเจริญค่ะแต่ควายิ่งจเจริญเนี่ยก็คือหมายคก็ว่าอย่างเรามีกิ๊กอย่างเงี้ยนะถ้าคนที่มีกิ๊กนี่ยิ่งปกปิดไว้เนี่ยมันยิ่งจะเจริญแต่ถ้าเปิดเผยแล้วมันจะไม่จเจริญค่ <S <S แะแต่สิ่งที่ธรรมชาติของการเปิดเผยออกแล้วเจริญเนี่ยคือสมาทิฐิทำเป็นลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเกิดมาก็เห็นีี่่มันจะดกวา แต่ว่าถ้าท่านอนุญาตหรือไม่อนุญาตอย่างไรเราก็ต้องทำความเข้าใจไปหรือว่าก็ต้องยอมรับไปอ่ะอืมค่ะคืออันนี้ถ้าอธิบายในลักษณะของศีลสมมติคนไม่เคยทราบรายละเอียดนอกเหนือจา ก, จากที่เคยรู้ๆกันมาว่าศีลข้อสามการเมสีสมิชนั้นคือประพฤติผิดในกามคงจะต้องไปยุ่งกับคู่ครองของคนอื่นใช่คะใช่แต่พอมาฟังแล้วก็เกิดเอ๊ะพระพุทธเจ้า บัญญัติไว้ยังไงกันแน่นะเพราะเห็นท่านพะบูลพูดในช่วงแรกว่าหญิงที่พ่อแม่รักษาพี่ชายน้องชายรักษา อ, อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใชะ่สรุปแล้วสิ่ข้อห้ากาเมเนจะว่าไปในรายละเอียดเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะค ะ, ะกินความแค่ไหนอย่างไรคะท่านคะลักษณะของการประพฤติในกามนะก็คือเอาถ้าบอกว่า เราเปรียบเทียบกับสีแปนะสีแปดเ น, นี่คือประพิธพรหมจันทร์คือกางเนี่ยมันมีทั้งหมดเลยตาหูจมูกลิ้นกายลถ้าสมมติว่าพูดถึงกินข้าวเย็นเนี่ยนะคือมันไม่จําเป็นอะ่ะคือคือแบบว่ากินเอาอร่อยอะ่ะอันนี้คือเป็นกางนะความสุขทางทางปากทางลิ้นก็ถือว่าเป็นกางเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่นับรวมในสี่ข้อ3าหรอกว่าอะไรเพราะว่าโดยตัวบทแล้วเนี่ยโดยตัวบทนะที่เราท่องกันอยู่ปาปาวว่ากาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกาบดังสมาธิยมิเนี่ยตรงนี้คือกาเมสุมิช่าจารย์คือการประพิธ จะรีดในรูปแบบของตังคามทีนี้ขยายความไปอีกพระพุทธเจ้าขยายความไปอีกก็คือเฉพาะเจาะจงมาในเรื่องของคู่ครองในะเรื่องของหญิงที่มารดาบิดารักษาอย่างที่ว่านะไม่ได้รวมถึงข้าวเย็นไม่ได้รวมถึงดูการละเล่นนะแต่ถ้าเป็นศีลแปดหรือศีลของพระนี่จะต้องรวมพวกกรมอื่นๆที่มันละเอียดขึ้นไปด้วยนะค่ ะ, อ, ะอันนี้ที่คุณโยมตีคหมายถึงใช่ไหมค่ะและทีฉันขออนุญาตแทรกตรงนี้เลยนะคะว่าคือในความเข้าใจ ที่ผ่านมาก็มักจะเข้าใจเพียงแต่แค่คนที่มีความสัมพันธ์ชายหญิงกันถูกไหมคะแต่ถ้าฟังในเนี่ยเหมือนกับว่าพ่อแม่พี่น้องห่วงอะ่ะชมคะถ้าฟังแบบท่านจย์พูดใช่ก็คือว่ามันมีความละเอียดมากไปกว่าอย่าไปคิดว่าเราไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครอันนี้เราถือสีนข้อสามได้บริสุทธิ์แล้วอ่ายังไม่ใช่ถ้าเราไปสมมตินะคะไปลักพาตัวลูกสาวใคร พาคนหนีบางทีก็เต็มใจด้วยอย่างนี้ก็ถือประพฤติผิดในกามแน่นอแน่นอนใช่ใช่แล้วมันก็ยังรวมถึงเนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นนี้มันก็ต้องมีอื่นๆอีกเช่นกิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดคือจะไม่ใช่เรื่องเฉพาะบนเตียงนะยังรวมถึงเรื่องแบบโทงหนุ่มกันหนิงกันเดินไปจับมือกันไปกินข้าวเย็นสองต่อสองพวกนี้เป็นกิจกรรมคนคู่หมดเลยอันนี้ถือว่าประพฤติผิดนะเพราะว่าคือคุณไม่ได้มีความสัมพันธ์กันที่แบบถูกต้องแล้วพ่อแม่บางทีเขาไม่ยินยอมอ่ะ อันนี้ถืวก็ปริวิบิดในกามกันพิศิณข้อสามกิจกรรมของคนคู่ทั้งหมดเลยค่ะก็แปลว่าถ้าผู้หญิงหรือผู้ชายที่เราไปมีกิจกรรมคนคู่อย่างที่ท่านพูดว่าไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์การลึกซึ้งแค่ไปทานข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแต่ว่ามีบุคคลที่ตามตามรายละเอียดของสีมีห่วงอยู่มีใครบ้างคะที่เป็นเจ้าครอบเจ้าของห่วงน่ะคะ่ะเออก็พ่อแม่อย่างเงี้ยหรือว่าพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือว่าสามี แต่ในกรณีผู้หญิงก็คือเขามีคู่ครองแล้วเมื่อสมมติเกิดไม่ใช่เป็นคู่ครองนะคะมีแฟนอยู่ยังไม่ได้แต่างงานกันยไม่ได้มีอะไรการบครบๆกันอยู่ก็อยากคบคนอื่นเพื่อที่จะเผื่อเลือกด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเนี้ได้สิเพราะว่ายังไม่ได้ตกลงกันนี่ยังไม่ได้มั่นกันน่ะะคือจุดที่ว่าที่สําคัญก็คือวัดว่าผิดหรือเปล่าละเมิดหรือเปล่าพิจาริไม่ก็คือเอาตรงมั่นกันคือที่ฉันดูแล้วเนี่ยนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้าง ยากทีเดียวนะคะคือเห ม, มือนกับว่าใในการที่จะรักษาศีลข้อที่สามถ้ารายละเอียดเป็นอย่างที่าาท่านจาอธิบายนี น, นะคะคือเราจะต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าเขามีเจ้าของห่วงอยู่เนี่ยไม่จําเป็นต้องแต่งงานกันแล้วเราไปประพฤติเราก็ถือว่ายังรักษาศิลข้อนี้ไม่สําเร็จอมันก็เป็นความละเอียดขึ้นไปนะเป็นความละเอียดขึ้นไป อรถก็จะทําที่เนี้ยบถูกไหมครับใช่้องกิจกรรมคนคู่ที่อาจมาพูดมาสครูเนี่ยเช่นคุยเล่นคนหนุ่มคนนิ่งจับมือกันหรือว่าไปกินข้าวสองตัสองยังรวมถึงแบบมองตากันปิ๊งปิ๊งกันด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะมาเคยเห็นเนี่ยคนที่เขามาปฏิบัติธรรมด้วยกันเนี่ยนะค่ะผู้ชายผู้หญิงเราก็แยกกันอยู่แล้วใช่ไหมแยกโซนกันอยู่แล้วแต่สามีหรือภรรยาก็คอยแอบมองตากันเรื่อยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือมันยังไม่ละเอียดไง คือเขายังแบบคิดถึงกันคอยมองกันเอ้ยเธอเป็นยังไงไอ้ฉันจะกินได้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้จะไม่ได้คุยก็ตามเถอะอันนี้มันก็ยังเป็นกิจกรรมของคนคู่อยู่เดี๋ยมันคือคือมองด้วยสายตาแห่งคนที่แบบว่ามีความใคร่ความกำหนัด ก, กันอย่างเงี้ยค่ะไห น, นมันก็เป็นเรื่องของคนคู่ละอย่างนั้นก็ตามอันนี้เขาเขาเป็นสามีภรรยากันก็ไม่ผิดอะไรนะค่ะอันนี้คือเราก็ต้องคอยระวังให้มันมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของกา ร, รเนี่ยมันจะดึงเราลงไปต่ําอันนี้คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าจริง ให้คอยจำกัดเอาไว้ให้ดีอย่าให้มีคนที่2คนที่สมถ้าอย่างนั้นคำตอบของอคุณพัท์เนี่ยได้ความกระจ่างไปแล้วนะคะว่าพิจารณาแบบนี้แต่ว่าบางคนที่นั่งฟังอยู่แล้วรู้สึกว่ามันยิ่งกว่าที่เราเคยเรียนรู้กันมาก็ขอให้เข้าใจว่าความละเอียดประณีตอย่างที่ท่านภบูบุ์ได้กล่าวแล้วถ้าเราจะต้องการรักษาสินข้อนี้ได้ถูกต้อง ตามคำสอนของพระศาสดาเคร่งครัดจริงๆใช่ใช่ท่านคาะแล้วที่บอกว่าคุณสมบัติของการเป็นพระโสดาบันที่จไม่ต้องเกิดอีกอไม่เกินเจ็ชั้นทีน่แปอ่าไม่เกินชนั้นที่แปดเนี่ยนะค ะ, ะแล้วมีคุณสมบัติก็คือต้องรักษาศีล<อ>ให้หได้ไ ด, ด้วยนอกเหนือจากศรัทธามั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้นเนี่ยที่ฉันเห็น บทเพียญชนะพูดถึงว่าเรื่องสีนี่ต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยอแปลว่าต้องทําให้ได้เนี้ยบอย่างนี้เลยไหมคะถูกต้องถูกต้องเอาอเอาแค่ว่าคนที่เขาแต่างงานแล้วอย่างเช่นอนาถบิณฑกาเทศรษฐีหรือว่าวิสาขามหาอุบาสิกาเนี่ยเขาจะไม่ชำเลืองมองดูชายอื่นหรือหญิงอื่นด้วยความรักใครคืออย่างอย่างผู้ชายที่แต่างงานแล้วเนี่ยคือไม่ต้อง ค, คุณปิดโอกาสที่จะมองผู้หญิงอื่นเลยว่าว่าสวยหรือว่า งามหรือว่าอะไรยังไงคคือือจบเลยคูยแต่งงานแล้วนี่อันนี้มีตัวอย่างของบุคคลครั้งพุทธการใช่ใช่นก็นคืออนาถบินพิกะกับใครนะกับอวิสาขาหาวาสิกาในาวิสาขานี่แหละกับ อ, อ น, นาถาบินตะเกษตรีเนี่ยสองคนเนี้เขาเป็นโสดาบันแ ต, แต่ก็มีลูกมีเมียนะมีเมียแล้วก็มีลูกแล้วก็ลูกก็มีล้านด้วยหลายคนอืค่ะแต่ไม่ได้มองคนอื่นอีกจบนะคือมีสามีแล้วจบละ ค่ะทีนี้ไหนๆเราก็อยู่ที่สีลข้อสามกันมาตั้งแต่ต้นแล้วดิฉันเลยอยากถามอีกนะคะว่าการบัญญัติไว้ในลักษณะนี้ว่าเราไม่ไปละเมิดในคนที่มีเจ้าของห่วงใช่ไหมคะใแล้วก็พระพุทโธนี้ระบุเลยว่าเป็นหญิงที่มีพี่ชายรักษาใช่ไหมคะพ่อแม่มารรดาบิดาพ่อแม่บรรดาบิดาแต่ว่าไม่ได้ไ ม, ไม่ได้ระบุที่ผู้ชายที่มีใครห่วงถูกไหมคะอืมอืมค่ะ แต่ดิฉันไม่ได้กําลังจะบอกท่านผู้ฟังนะคะว่าถ้าอย่างนั้นใครเป็นผู้ชายทําได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าใจว่าน่าจะอานุโลมวัตถุประสงค์จริงๆเนี่ยต้องการอะไรคือเหมือนกัว่าถ้าเราละเมิดแล้วเป็นยังไงคะสิ่งข้อนี้ถ้าทําบ่อยๆก็จะไปตกนรกเอาเก่อนที่จะไปตกนรกก่อนในจิตใจมัน <c oughs> ก็จะไปไปละเมิดของคนอื่นเขาก็จะมีการเบียดเบียนกันเป็น <c oughs> ละเมิดของรักของคนอื่นนะนะถ้าสมมติ <c oughs> เรามีการทําเกิดขึ้นเช่นถ้าผู้ชายไปมีกิ๊ก ผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่เป็นเก๊กเนี่ยก็จะเป็นละเมิดของรักของผู้หญิงคนเมียหลวงใช่ปะที่คุณ <Okay. S 1> มีการเบียดเบียนกขาล่ะการเบียดเบียนกันไม่ดีล่ะทาบ่อยๆทํามากๆจิตใจที่มีการเบียดเบียนการมีการขัดเคืองกันอย่างเงี้ยมันจะทําให้จิตของคนที่ทําอย่างนั้นเนี่ยก็จะถูกเขาเรียกว่าเจ้าอาสวะที่มันจะสร้างสมขึ้นเนี่ยก็ไปฝังอยู่ในจิตจิตมันก็จะไปสู่พบที่มันจะมีสภาวะแห่งการเบียดเบียนกันนั่นคือนรก นะกำเนิดเดรัชานเบียดเบียนกันสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กหรือว่าพวกเปรตวิสัยก็มีการเบียดเบียนกันดะ้วยความที่อดโอยากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือถ้าทําบ่อยทํานานใช่ใคุณตกนรกแน่นอนและถ้าวิบากอย่างเบานี่คือทําให้วิบากอย่างเบาของสี่ข้อนี้นะก็คือว่าถ้าคุณรอดจากนรกนะคุณเกิดแบบว่าสร้างบุญได้เยอะเหมือนกันละ่ะแล้วก็วิบากอย่างเบาที่มันจะเกิดขึ้นก็คือจะต้องแตกจากมิต แต่แตจากเพื่อนเพื่อนก็จะแน่นอนคือเราทำํำขัดเคืองเขาใช่ไหมเขาก็แตกจากเร า, เราเขาก็ไม่ชอบเราเอะเนาะมันก็เป็นอย่างนั้นค่ะเอเพราะฉ้พิจารณาในรายละเอียดแล้วอ่าอย่างกับที่บอกว่าแม้แต่กิจกรรมคนคู่ในลักษณะ ท, ที่ไม่ถึงกับไปมีความสัมพันธ์นึกซึ้งกันอก็ผิดสีข้อนี้แล้วเนี่ยมันก็อาจเป็นได้เหมือนกันนะคะไปยุ่งกับคนที่ พี่ชายพ่อแม่เขาหวงก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันได้สารที่ถูกต้องก็คือมีความด่างพร้อยอมีความด่างพร้อยในศีลของเราอค่ะเพราะฉนั้นเพราะฉะนั้นสําหรับโสดบัณเนี่ยนะวิธีจะตื่กระแสคือปิดประตูอบายนี่อย่างอย่างเข้มงวดเลยค่ะคือถ้าถ้าผิดศีลข้อนี้เนี่ยคือคุณก็จะเปิดประตูอบายไว้ในการที่จะไปสู่ที่ต่ําอบายนี่แบบว่าพบที่ต่ําค่ะำในมีความทุกข์มากกว่าความสุขทีนี้นถ้าเราเราไม่ไม่ผิดคือเราไม่ทําเลยอ่ะ ชำเลืองแล้วฉันก็ไม่ชำเลืองไม่ดูเขาด้วยสายตาแห่งกวามแบว่าความรักใคร่นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการจับมือหรือคุยกับ น, นุมกันหนิงแล้วไปกินข้าวกันสองต่อสองอ้าวดีละคือคุณปิดโชกประตูนี้เละคือจะไม่สามารถทํากรรมที่ทําแล้วจะไปตกนรกแบบนี้ได้นะครั<ฆ>้นี้จะทําไม่ได้เลยพอพอทําไม่ได้แล้วก็ปิดประตูแล้วนี้เหลือทางไปไหนอ่ะทางไปนิพพานตอนนั้นเองเหลือ<ฆ>ทางเดียวอย่างงี้ยนะบางทีบางคนบอกว่าอุ้ยทางกายเนี่ยทําได้นะอาจจะให้ไปอ แอบมองเข้าสมมตินะคะอืส่งสายตาหรือกิริยาอาการที่สื่อสารออกไปเนี่ยอห้ามได้นะแต่ใจนี่สิห้ามไม่ได้นี่แหละคือประเด็นน ะ, ะเพราะว่าถ้าใจเนี่ยมันไม่มีที่เกาะที่พึ่งที่อยู่เนี่ยมันไปทั่วทิศทุแดนตรงนี้นอกจากเรื่องของสีแล้วจึงต้องมีศรัทธาในพระบุตรประเสริประงค์ตรงนี้ศรัทธาเนี่ยคือเป็นเป็นอนุสตินะเป็นศรัทธาคือหมายถึงว่าเป็นที่ระลึกถึงอะ่ะจิตของเราจะไม่ไปคล้องแว้ ต, ตรงนั้นได้เลยถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆ แสดงว่าศรัทธาเขาก็ยังไม่มั่นใจด้วยซ้ำแต่แบบว่าเขามีแบบเผลอๆแวบๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วดิฉันเชื่อว่าการปฏิบัติที่ท่านได้สอนในทุกๆเช้าเนี่ยจะช่วยแก้ได้นะคะคือเหมือนมารู้ว่าจะเอาจิตไปอยู่ที่ไหนถูกต้องถูกต้องเพราะว่าคนที่ถ้ายังไม่เคยลิ้มรสของความสุขที่เกิดจากในใจเนี่ยเขาก็จะเห็นความสุขที่เกิดทางตาทา ง, ทงหูเนี่ยมันมีค่ามากเงินเยอะ ไปเที่ยวที่มันแบบสวยๆงามๆามกินันอะไรอร่อยๆๆก็จะมีค่ามากเพราะอะไรก็เคยเคยเจอแต่แบบนี้แต่ความสุขที่มันเหนือกว่าละเอียกว่าประณีกว่าลึกซึ้งกว่ามีค่ามากกว่าเนี่ยไม่เคยเห็นไม่เคยทําได้ใช่ไหมมันก็ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกให้มันดีมีบทพยัญชนะใดนะคะที่ได้กล่าวถึงการที่จิตท้น้อมนึกไปถึงเรื่องใดแล้วจะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นเลยค่ะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้เล่าให้ฟังตอนที่พระองค์ ยังเป็นโพธิสัตก่อนการตรั <คะ S 1> สรู้แต่ว่าจิตเนี่ยถ้าตริตรึกไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็ <คะ S 1> หมายว่าตัวเราเนี่ยนะถ้าตริตรึกในเรื่องใดๆมากจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นค่ะซึ่งดิฉันเชื่อว่าตรงเนี้ยอ่าก็จะกลับเรียนถามท่านนะคะว่าดิฉันเข้าใจถูกไหมคือเหมือนกับว่าดังนั้นเมื่อเรามีจิตน้อมไปในเรื่องใดถ้าเรารู้หลักการนี้เนี่ยเราต้องรีบพยายามที่ ให้จิตเนี่ยหนีออกมาจากตรงนั้นถ้ามันเป็นสิ่งที่น้อมไปแล้วกดแองไม่ดีถูก ต, ต้องแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราน้อมไปแล้วแต่ตรงนี้จึงต้องมีสติจิตต้องมีสติทีนี้พอมีสติแล้วโอ้ยทำไมฉันจิตน้อมไปอย่างนั้นเรื่อยๆเอามาใค ร, คร่ครวนก่อนใคร่ครวนก่อนคื อ, ค, อคือก่อนที่เราจะน้อมจิตไปในทางอื่นได้มากเนี่ยนะพร ะ, <ฮ>ะพุทธเจ้าก็ให้ทําการวินิจฉัยก่อนแต่วินิจฉัยในความสุขว่าสุขที่เกิดจากกามก็มีสุขที่เกิดจากความสงบก็มีบุคคลเมื่อรู้จักวินิจฉัยในความสุขแล้ว ควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นในภายในอันนี้เป็นพุทธบทนะ <S <S ์ะบุคคลควรรู้จักการวินิจฉัย ใ, ในความสุขเมื่อวินิจฉัย ใ, ในความสุขแล้วควรประกอบความสุขชนิดที่เป็นไปในภายในนั่ก็คือน้อมจิตมาทาง ท, างที่เป็นสมาธิน้อมจิตมาทางนี้จิตมันก็จะไปทางนั้นได้ค่ะที่ฉันเคยได้ยินคํากล่าวว่าการทําสมาธิเป็นยาครอบจั ก, กรวาลกันไหคะคำกจริงไหมคะอืมอเป็นการทําสมาธินี่คือหมายถึงว่า การปฏิบัติตามมักแปลกแต่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าจิตที่มีองค์ประกอบของ7อย่างอยู่รอบจิตเนี่ยจิตนั้นเนี่ยเป็นเป็นสมาธิการปฏิบัติตรงนี้คือการสมาธิตรงเนี้ยเป็นยาถ่ายที่เป็นอริยะพระพุทธเจ้าว่าไว้น <Okay. S 1> จะสําหรับพวกรักขะโทสะโมหะความเครียดนิวร์นคือความเครียดเนี่ยมาในรูปแบบของนิวร์นนั่นแหละเราออกความเครียดไปได้จิตใจมันก็จะสบายเป็นเป็นยาครอบจักวาลปุ้นอย่างนั้นก็ได้ ค่ะก็ดิฉันก็เคยรับรู้มาอย่างที่บอกว่ามีราคะมีโทสะมีโมหะเช่นมีจิตใจหมกมุ่นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งหรือว่ามีความโกรธที่มีอยู่มากแต่เมื่อปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆจางคลายหายไปในที่สุดโดยเจ้าตัวก็ไม่รู้ตัวว่าหายไปตอนไหนนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือความงดงามของอริยมรรคมีองแปด พอไปเดิไปตามกระบวนการแล้วความอยากตัณหาเนี่ยมันจะค่อยคลายไปคลายไปจางไปเหมือนกับลักษณะของด้ามเครื่องมือของช่างไม้ที่ว่าไม่รู้รอะมันสึกไปเมื่อไหร่แต่มันก็ศึกไปสึกไปทุกวันทุกวันนั่นแหละค่ะท่านก็แต่มันมีอย่างนี้ด้วยไหมคะว่าเราก็พบกันเป็นจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะที่คนเหมือนกันอยู่ในหนทางของการปฏิบัติอทําให้เรารับรู้อย่างนั้นแต่ก็ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมบางทีก็ดูเหมือนกับมีกิเลสเอาไว้ ไม่แตกต่างจากคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินั่นเป็นเพราะว่าพอทําแล้วมันขึ้นขนลงลงไปก็ได้ค่ะเออยังมีความไม่ชํานาญอันนี้ก็ส่วนหนึ่งหรือว่าปฏิบัติก็ไม่รู้ถูกหรือเปล่าอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งนื่อเพราะว่าการปฏิบัตินี่คือเพื่อที่จะไม่เอาอะไรนะเพื่อที่จะไม่ยึดถือเอาไว้เพื่อที่จะปล่อยวางอันนี้ถึงจะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันเกิดกลับกําเริบขึ้นมาอีกก็ตั้ง อ, อกตั้งใจ ท ำ, ทำให้มันมาก<ช>ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกใช่ใช่เพราะพระพุทธเจจึงใช้คาว่าทําให้เจริญทําให้มากนั่นเองทําให้เจริญทําให้มากขณะที่เขาตรงกลับน้ำสการกอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยสําหรับการที่ได้มาให้ความรู้กับเราในช่วงเวลาสัมนสนท น, นาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวเอฟเอรอยหนะคะน้ำสการค่ะและจากการที่ดิฉันได้เคยบอกบุญท่านผู้ฟังรายการทั้งหลายไปนะคะว่า ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธา น, นีซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมมีการาจัดหลักสูตรหลีกเล้นในทุกๆเดือนมาเป็นระยะเวลาติดต่อกันหลายปีที่พระอาจารย์ไพบุญอ ภ, ภิปุโนยอยู่ที่นั่นนะคะก็ได้ก่อสร้างโบสถ์คือพระอุบโบสถใกล้จะเสร็จเต็มที่ละตอนนี้ก็ขาดในส่วนของหินแกรนิตนะคะใครสนใจที่จะได้ปิดจ็อ งานของโบสนี้นะคะก็สามารถที่จะทําบุญกันไปโดยตรงได้เลยค่ะไม่ต้องมาผ่านทางนี้นะคะเพื่อที่จะสะดวกท่านทั้งกายและใจด้วยส่งไปที่วัดป่าดอนหายโศบัญชีชื่อนี้นะคะวัดป่าดอนหายโศธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีหมายเลขสี่ศูนย์หนึ่ง สามสองแปดหกเก้าห้าห้าอีกสักครั้งนะคะเผื่อยังหยิบปากกาก็ไม่ทันบัญชีชื่อวัดป่าดอนไฮโซธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีหมายเลขบัญชีสี่ศูนย์หนึ่งสามสองแปดหกเก้าห้าห้า มโนทนาทุกท่านเลยนะคะและสำหรับรายการของเราพรุ่งนี้จะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ค่ะวันนี้ขอให้ธรรมะนั้นได้เป็นประโยชน์กับท่านทั้งวันเลยนะคะพุทธวสวัสดีค่ะ